เมื่อหลวงปู่ขาวถึงๆ 2-3 วันนี้เองนี้เอง หลวงในบายวันหนึ่งเล่าถึงเหตุที่ทํา ก็เกิดคิดขึ้นในใจว่าเมล็ดเพราะนั้น ทีแรกๆเล็กๆมีรากๆ เมื่อโตเต็มที่แล้วก็ออกรวง หลวงเมล็ดข้าวที่มีเชื้ออยู่นี้อธิบายก็จะเกิดเป็นต้นขึ้นมาอีกไปว่าเมล็ดข้าว หรือเอาเมล็ดข้าวเปลือกนั้นนั้น น้อมเอาเมล็ดข้าวนั้นเข้ามาหากายและ ก็เหมือนกับได้ฉะนั้น เพื่อท่านผู้อ่านทั้งหลายไม่ให้ถ้าดูเพียงผิวเผินก็เหมือนกับการใช้ความคิดพิจารณาธรรมดา ไม่แตกต่างกันกับความคิดพิจารณาไป สะสมอินทรีย์ที่แก่กล้ามาในชาตินี้ตลอด เพราะกำลังของวิปัสสนาญาณนี้เหนือ หลวงปู่เล่าว่าการขึ้นไปภาวนา เฝอเดียวๆ ให้ปล่อยๆให หลวงฉะนั้นวิปัสสนาญาณจึงเป็นตัณหา เมื่อตัดกระแสของอาสวะกิเลสทั้งปวงให้หมดจาก อวิชชาที่เป็นกิเลสตัณหาอวิชชาก็มีความ วิปัสสนาญาณจึงได้ฆ่ากิเลสให้ตาย Bye.